ถ้าไม่ใช่โง่แล้วจะว่าอะไรนะไม่ใช่โง่ธรรมดบอรมะโง่ฮะสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดเราไม่ได้มามุ่งหวังอย่างอื่นเรามุ่งหวังมาหาเพชรท้าพอยหาเพชรนินจินดาหาของดีเราต้องมุ่งหวังไปในทางที่ดีหาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีใยในทางที่ดีเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่น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 เพราะไรเพราะใจมันชั่วเนะเพราะนั้นเรามาดูต้นตอพระกรรมฐานนี่มาดูต้นตอของความดีและความชั่วเพราะนั้นเราจะเสริมทางไหนเเราจะเสริมทางชั่วหรือเราจะเสริมทางดีถ้าหากว่าเราเห็นต้นตอแล้วจะไปเสริมทางชั่วจะแสดงว่าเราก็แย่มาก เ, เป็นหมู่ของประเทวทัตแล้วถ้าเสริมทางดีก็เป็นตุกสิตของพระพทุทธเจ้าเพราะรเาะหตุะไรเพราะเรารู้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 ใจเป็นคนดูลมนี่แหละถ้าเราดูลมเห็นลมเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วนั่นแหละอืเราจะรู้ต้นต่อแห่งความดีและความชั่วเพราะดูใจของตนเองนจากนั้นก็ดูเข้าไปเรื่อยๆจนจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งรู้ได้ชัดเจนด้วยตนเองจากนั้นก็ทําจิตที่ผ่านความสงบมาแล้วมาพิจารณา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 เหมือนกับเรามีเงินหน่อยึเนี่ยเราจะไปให้เขาได้ยังไงถ้าเขาให้เขาเขาก็ดมีขึ้นมาตัวเองก็จนเพราะมันหมดนะถ้าเรามีมากอยู่แล้วเราให้เขาได้อย่างพระหันที่ท่านได้เข้านิโรธจามาบัตอพอออกจากนิโรธจามาบัตเเขามาทําบุญกับท่านเขาปรารถนาอะไรอสมความมุกมาดปรารถนา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 อย่างน้อยก็ต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นตัวอย่างให้แก่พวกน้องๆที่เข้ามาใหม่เป็นยึดเป็นแนวทางไม่ใช่ว่ายึดไปทางที่มันไม่ดีอสิ่งไหนที่มันไม่ดีกับพระพระน้อยพระหนุ่มเขาทาําพระพาพระให้เขาทําในสิ่งที่ความหายยะะที่จะเกิดขึ้นเราวผู้เป็นหัวหน้าที่จะสอนสอนยังไงมันก็สอนไม่คืนพราะอะไเพราะพระในวัดไม่เป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี